แต่พุทธศาสนาดิไม่ปรากฏเอากวมจริงมาพูดให้กันสักพูดก็ต้องแบบไม่ผูกหรือเข้ารีบว่ายังกระไดเดี๋ยวนี้ญาติโยมและเพื่อนภิกษุธมาเนรท้ายท้ายคือเราไปกินข้าวรีบข้าวไม่มีไหนเอาข้าวไม่มีไนไปเพาะไปปลูกนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะงอกมาได้จริงจริงกินข้าวให้มีไนจริงจริงเราต้องเป็นคนคนหนึ่ง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 ในขณะที่เราลืมตัวนั่นแหละขมโกรธขมโลภผมหลงมันตกหน้าเอาเลยถ้าหากบวชมานานๆมีคุณค่าไม่อย่างนั้นไม่มีเลยรับรองได้คนเกิดมานานๆอาอยุตั้งร้อยวันพันปีถ้ามีคมโกรธขมโลภขมหลงมีประโยชน์ไหมชีวิตบุคคลผู้นั้นไม่มีเลยอันนี้แสดงว่ามันไปตรงเอากับที่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 อันนั้นเป็นเครื่องมัดของความเป็นมนุษย์ได้ไหมอันนั้นเป็นเครื่องมัดของความเป็นสาวุธได้ไหมไม่ได้เนี่ยอันว่าอย่างนั้นทำไมจึงไม่ได้ผมเรียนรู้มาเน้มันไม่ได้เมื่อพูดถึงตอนนี้ล้วก็นึกได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระวักกะกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเหล่าตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั่นซึ่ว่าไม่เห็นเราตถาคต